กิเลสนะพอค่าละเอียดยิ่งถึงสังโยชน์เบื้องปลายนะแต่ละตัวหน้าตาเหมือนกุศลนะอย่างรูปปราคะอรูปปราคานะนเหมือนกุศลเลยจิตใจรักความสงบอ่ะไม่ใช่รักกามนะจิตใจรักความสงบก็ดูดีใช่ไหมบางคนแต่งเพลงนะไทยนี่รักสงบแล้วมีรูปปราคะอรูปปราคะดูไม่ออกหรือว่าอาวิชานะ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 เอ๊ะเราก็ศึกษาซีดีหลวงพ่อฟังมาตั้งหลายแผ่นแล้วปฏิบัติแล้วมันก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนพอสักพักมันก็รู้ตัวขึ้นมาว่าเอ๊ะที่มันคิดอย่างนี้ได้เพราะว่ากิเลส ม, มันอยากจะให้ดีอยากให้ตัวเองดกีก็รู้ตัวอย่างนี้ครับนี่แหละคีอฟังซีดีไว้เลยเห็นกิเลส <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> <ะ>ครับพ่อจิตวันนี้มีโมหานิดนึงนะดูออกไหมมัวไปหน่อยยังยังดูไม่ค่อยชัดครับหลงพ่อรู้ไม่ชัดดูได้ไม่ชัด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 ม า, ม, ามาจับเป็นที่ะเพราะฉนั้นเราเวลารู้สภาวะเราต้องตามรู้เอาถ้ามันเคยชินกับการเพ่งมันจะมาจ้องรอดูอไปนั่งรอว่าเมื่อไรจะมีอะไรผุดขึ้นมา อ, อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วสมาธิ <c oughs> า ม, มันก็ใช้ได้ <c oughs> สมาธิมันก็เกิดไปเลยเมื่อเช้าเดินหลวงพ่อเวลาเดินจากกุติมมาเนี่ย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 หลวงพ่อขาแต่ก่อนหน้านี้มันอ่อนไปนิดนึงใช่ไหมครัมันมีโมหะใช่ค่ะตอนมนนั่งฟังแ่ตอนเนี้ยเริ่มบังคับแล้วใช่ค่ะไม่เป็นธรรมดาแต่ก่อนหน้าจะมาพอดีเนี้ยมันจะดิ้นรนหน่อยๆอะค่ะอยากเป็นกลางอยากตั้งมั่นแต่พอฟังหลวงพ่อเล่าปุ๊บมันก็ตั้งเองขอบพระคุณหลวงพ่อดุนะเห็นไหมแค่เดินผ่านเห็นหน้าภาวนาผิดก็โดนละเล่าสนุกบ่อยๆไม่เป็นไรแต่มันเหนื่อยนะ เล่นอย่างหลงพ่อก็ไม่ไหวจันตันนี่บอกไม่เอาเลยจันตันเทศเฉพาะวันพระใช่ไหมได้ข่าวว่าหลงพ่อเทศวันถึงตั้งหลายรอบ <c oughs> ใช่ท่านสบายพวกเราพยายามไปหาท่านมากๆ <c oughs> อิจฉาหนะ้าอายุก็น้อยกว่าเรานะ <c oughs> แล้วมีความสุขเลยเกินมีเวลาทำสมาธิทำอะไรกับท่านไป <c oughs> <c oughs> ฟุง้งซ่านฮะฟุ้งทั้งสองตัวเลยนะ แ, แข็งแข็งด้วยไป ก, กดไปกดหยตรงที่แข็งอะไปกดไว้ตรงที่ฟุ้งไปมันมันจะไม่แข็งมันจะเหลวเป๋วเห็นฟุ้งสองตัวเลยฮะทั้งกุกขจะอุทัชจ่าเลยใช่ <S <S ใช่ก็ตื่นเต้นกลัวแล้วก็กดอ่ะแล้วก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่โมหะดออกไหมค่ะทั้งมืดมืดอย่างงี้โมหะร้อยเปร์เซนต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 จะสดใสนะเขาไม่หลงเพลินไปรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกไปเรื่อยๆเราจะเห็นในทุกสิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งสิ้นเลยที่เราภาวนาแทบเป็นแทบตายก็เพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นนั่นแหละเห็นตรงนี้ก็เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ได้รู้เยอะนะรู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับใช่ไหมงุนมน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 เนั้นเวลาที่เรารู้สภาวะแล้วนะภาษาแขกก็จะอภิชาและโทมนัตเกิดขึ้นอภิชาความยินดีโทมนัตความยินร้ายเกิดขึ้นให้รู้ทัน<ะ>พอเรารู้ทันแล้วความยินดียินร้ายมันจะดับพอความยินดียินร้ายดับเราก็รู้ทุกสิ่งด้วยใจที่เป็นกลางต่อไป<ะ>ให้หัดรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวปัญญามันค่อยเกิดขึ้นบังคับตัวเองอยู่ทราบไหมทราบค่ะ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 ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเข้ามาถึงตัวเราอยู่ตลอดเวลาห <_ priest hood> รือความทุกข์เนี่ยเข้ามาถึงเราเมื่อไรก็ได้อยู่ๆคนที่เรารักตายปุ๊บปั๊บไปก็ได้อยู่ๆบ้านไฟไหม้ไปก็ได้ความทุกข์มาถึงเราเมื่อไรก็ได้เมื่อเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ประมาทเตรียมให้พร้อมคือฝึกจิตฝึกใจของตัวเองให้มากนะให้มากๆถ้าเราฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราตั้งหลักได้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 นู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งนิ่งคงที่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละติดสมถนะเราต้องเลิกกำหนดปล่อยมันแล้วตามดูมันไปเรื่อยอย่าไปกำหนดจดจ้องไห้ปล่อยปล่อยให้ร่างกายเคลื่อนไหวตามธรรมชาติปล่อยให้จิตใจเคลื่อนไหวตามธรรมชาติแล้วตา ม, ตา ม, ตามรู้เอานะไอ้ตัวที่นิ่งค้างคงที่อยู่ตัวนั้นตัวนั้นกวางการเจริญปัญญาเป็นสมถะติด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 ทดแทนคุณพ่อด้วยประธรรมของพระพุทธเจ้าเลอคะ่ะดีนะดีะที่ผลอย่างนี้ก็เรียกว่าอะไรนะอิทธิพลมันมีอยู่สองตัว อ, อีกอันหนึ่งเป็นอำนาจมืด <c oughs> จริงๆแล้ว <c oughs> พ่อภาวนาดีนะพ่อฝึกได้ดีเลยพ่อมีความสุขขึ้นไหม <c oughs> ออมาไหมไม่เห็นอะอะไรนะ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 ถ้าเม่ไรคิดว่าทํำยังไงเราจะได้อย่างนี้นะจะกดทุกทีเลยเพราะว่าเมื่อไรที่เกิดความจงใจปฏิบัตินะอัตากิลมัทฐานุโยคเกิดอัตโนมัติเลยนี่เป็นหลักเลยเฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทําได้นะคืออัตากิลมัทฐานุโยคแต่ว่าการที่เราตามรู้สภาวะไปเรื่อยๆจิตมันเดินในทางสายกลางของเขาได้เองไม่ได้จงใจนั้นตัวความจงใจเนี่ยศัตรูร้ายเลย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 หัดตามรู้ตามดูเรื่อยๆแล้วมันเห็นเองนะไม่เอาน่าอย่าเที่ยวสังเกตไปอีกเสียเวลาชื่ออะไรลืมอีกละอัศนีค่ะชื่อเล็กยากจำยากนะคิดว่ายังมีการกระทำอยู่ค่ะใช่ไหมคะใช่ครรู้เร่อยดีแล้วทำอยู่ก็รู้ว่าทำอยู่ะนะคุณบางออนเป็นน้ำเกิงใจไหลไปแล้วนะ คุณบางอนจิตดีขึ้นนะวันนี้หลวงพ่อจำผิดเฮ้ยเอมคุณเป็นไม่คุณบางอน <c oughs> เออวันนี้ก็เดี๋ยวคิดคิดไปแพ่งแล้วคิดแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะอะไรนะคือคือจิตจะคิดไปแพ่งแล้วก็คิดแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาจะมีคิดแต่เรารู้ทันมันใช้ได้ค่ะค่ะเห็นไหมวันนี้ใจเราตื่นมากกว่าเมื่อวานนะค่ะดีะะะให้รู้ทันนั่นแหละสภาวะทั้งหลาย แล้วสภาวะทั้งหลายจะสอนไตรลักษณ์เราการที่เราเห็นตัวสภาวะนะเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ใช่วิปัสนา <Okay. S 1> ตรงที่สภาวะแสดงไตรลักษ์ให้ดูตรงนั้นแหละเรียกว่าวิปัสนาเพ <Okay. S 1> ราะงั้นยานเบื้องต้นนะนามรูปปริเฉทญาณเห็นรูปเห็นนามนเห็นสภาวะนะนะอะไรปัจจะยปริขหายานรู้ว่าไอ้ตัวนี้เกิดจากอะไรตัวนี้ก็คือ ลักษณะที่จตุ ก, กะตัวที่สี่อย่าเห็นแล้วก็รู้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดแล้วดับเพราะว่าขณะนี้กาตะกี้ไม่เหมือนกันสภาวะเดี๋ยวนี้กับสภาวะก่อนหน้านี้ไม่เหมือนกันนี่ยังไม่ใช่วิปัสสนาอยังเจือด้วยการคิดอยู่เพราะฉะนั้นยานที่1นึสเนี่ยยังไม่ใช่วิปัสสนาพอยานที่เป็นวิปัสสนา จ, จริงคือการเห็นไตรลักษณ์